Ừ, อีกคอนหตัดสอ การนี้ทเวสังวตชาลสังอัสานี้อติกันตานิปจุปนนลคะละวเดนะจิตตมัสสเจะตุวิชติังทินังวระวเดนะปะนน กะระวโรตีเอวังตัสสะภะคะวโรปริิพนาธยยกกัลลคัลกเกตพติติสิสุััสดู พระพุทธศาสนาอยู่กานรันบย้ำเดิมเริ่มเต่วันสเสด็จดับคันปรินิพนธแห่งองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคอรัันตะส ม, มาูรณมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพระวัตร ปัจจุบันนามบัยเดือนเมษายนธมาตสระทินยี่สิบสี่วันโุกวันดียังเป็นปัจจุบันอวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มงแต่วันเสด็จดับกอนปรินิพานแห่งองค์ทระเด็จพระผุ้มีพระภาค อรหันตธรรมสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีหน่วยอันที่ท่อนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับรับรวไวด้วยประการแเค่อนดีติอละโมตซอพระโกวะโต อะระตะสมาสมาตุดทะนะโมตัพสะโกโต พระโมชาพระพุทธเจ้าพ่ประเสริฐสุดในโลกเป็นพระศาสตราเอนในโลกดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกได้โดยสิ้นเชิงรักราโยชอบได้โดยพระองค์เอง ส่องเพียพร้อมปล่วยด้วยวิ ช, ชาและจารณะส่องระ ด, ด็บไปดีแล้วส่องโรแช้งโลกเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าเป็นพ ร, ระศาสตรสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาครองบญญัตธรรมอันประเสริฐให้ทุกท่านจงนอนจิตนอมใจถึงพุทธานุสติคนข้อใดข้อหนึ่งเพื่อเป็นมงคลเป็นบนุญเป็นกุศลส่วนพระธรรมใดอันพระผู้มีพระภาค จัดวว้ดีแล้วไปเลาะในเบื้องตน้นไปเลาะใน่ามกลางไปเลาะในที่สุดผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นเองไม่ประกอบไปด้วยการและเวลาควรจะเียกผู้อื่นเข้ามาจองดูเถิด พ่อสองบปรากฏแล้วเป็นพู้ไม่โลเลเป็นพู้ไม่เหลวไหลเป็นพู้ประเสริฐเป็นพู้มีปัญญาควรที่เราจะนอบน้อมใส่ตนอันธรรมที่เป็นอยู่จนจะพึงรู้เฉพาะตนให้ทุกท่านจองระลึก ึ่งสวกาตธรรมให้เป็นธรรมมนุสติเพื่อเป็นมงคลเป็นบนุญเป็นตุวตนของท่านทั้งหลายส่วนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแกรร่ท่านควรแก่การต้อนรับกราบไหว้อัญเชลีกรรมเป็นสองสาวกของพระพระภาคเจ้ า, ส, า <c oughs> สี่คู่แปดอาริยบุคคล นี่คือพระสงค์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านของชาวเมืองของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นใดที่จะยิ่งกว่าให้ทุกท่านจอมทัดตาลงในพระสง์เพื่อเป็นบุญเป็นมงคลเป็นกุศลเป็นศีล แต่ท่านทั้งหลายรัตนทั้งสามประการนี้เป็นที่พึ่งอันอุดมอันกลดเสมอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะยิ่งกว่าที่อาตมาได้นำพระสัตยธรรมของพระพุทธองค์ในเบื้องต้นว่ากาตปาจะวิปัสสนา แปลว่าวิปัสนาเหมาะสมแก่บุคคลทุกบุคคลแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีจาริตอะไรก็ไม่ขัดต่อจาริตถามว่าการเจริญวิปัสนาที่เหมาะสมแก่บุคคลที่เรวาวิปัสนาธุระมีกี่ประการ พระพุทธองค์ทรงสแสดงทางที่ปฏิบัติว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเวนยสัตย์ทั้งหลายเพื่อระ ง, งับความโกรธ ความร้องไห้ความร่ำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมานัดนี่คือธรรมที่ถูกต้องเคือธรรมที่จะออกอยากทุกข์ได้แก่มางอาสติปัฏฐานทีคำว่าบางอานี่แปลว่าใหญ่สติธรรมเป็นเครื่องอาศัยระลึก ฐานะแปลว่าตั้งมันคือสติจะตั้งมันในฐานใหญ่ทั้งสี่ท่านทั้งหลายสาติเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสาติเป็นยอดแห่งธรรมที่ประเสริฐที่สุดในธรรมทั้งหลายทั้งแปดหมื่นที่พันพระธรรมกัน ตัวสตินับว่าเป็นยอดแห่งทันเป็นที่รวมของบุญของกุศลของมงคลและสิริทั้งหลายนี่คือสติสติจะเกิดขึ้นได้แก่บุคคลใดบุคคล น, นั้นต้องสำรวมระวังดีเป็นพิเศษการสำรวมระวัง นั่นแหละชื่อว่าสติการระวังตาโงจ่จามูกเล่นกายใจเมื่อกระทบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพเพะหรือทมบารมจะรักษาอินทรีย์ทั้งหมดนี้ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินราย นี่คือสติเมื่อสัมรวมดีแล้วพูดสัมรวมสติติดต่อกันเนื่องๆสม่มเสมอจะทำไม่เกิดสดจริตสามประการสัจริตฐสามประการนั่นคือกายสดจริตวิจีสุจริต มโนทุจริตกายทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรมวา่าเจทุจริตไม่พูดแท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อมโนทุจริตไม่ลอบอยากได้กองผู้ใด ไม่พยาบาทปองรายซึ่งใครใครและไม่เห็นผิดอยากทำนองครองทนทุจริตทั้งสามประการนี้ประเสริฐถ้าเราสามารถรักษาทุจริตสามประการนี้ให้ติดต่อกันเดืองเดืองหรือติดต่อนานนาน จะทำให้เกิดสติปัฏฐานทีสติปัฏฐานทีมีกี่อย่างอะไรบ้างสาติปัฏฐานทีมีกี่อย่างท่านตั้งใจฟังให้ดีซึ่งเป็นหลักการเป็นวิธีการที่ท่านจะนาไปปฏิบัติการ ตามพรตธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสดในโลกทั้งสามพระองค์ทรงตรัสว่ากายกายานุปัสสิวิงอารติอาตาปิสัมปาาโนสติมาภิไนยโลกะอภิชาโทมนัสสั่งให้พิจารณาเห็นกาย ในกายเนืองเนืองอยู่อาตาปีความเพียรเป็นเครื่องเผ า, ภาร้รานกิเลสบาป ร, รมให้เร่าร้อนสัมปะชาโนรู้ทึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มัน องทำทั้งสามประการนี้ถ้าสมบูรณ์แก่ผู้ใดวินัยโลกเกอาพิชฌโทมานัสสังจะทำลายอาพิชฌและโทมานัสทำลายความยินดีความยินรายในโลกให้พินาศไปนี่คือหลักการ ของฐานกายานุป จ, จนาซึ่งมีทั้งสิบสี่บพะการที่จะแสดงให้ครบทุกบัพะคงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ท่านจำหัวข้อธรรมเรียกว่าอุเทศคำว่าอุเทศนี่คือหัวข้อของธรรมกายในยและกายนอกอะไรเป็นกายใน อ, ยอะไรเป็นกายนอก แต่พระพุทธองค์บอกกายในกายกายกา ย, กายนอกทุกคนรู้เป็นกายสมมุติว่าเป็นบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้หรือแม้เป็นตัวตนของตนเองเป็นกายนอกแต่กายในนี่เป็นกายสมมุิเป็นกายปรมาท คนธรมรมดาไม่เจริญวิปัสสนาจะไม่รู้ปรามัตรธรรมที่คือหลักการ่รวนหนึ่งส่วนฐานที่สองเวทนานุเวทนานุปัสสีวิกระรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินายะโลก อาพิจาตรตมาัตสังจงพิจารณาเวทนา่ในเวทนาเลืองเลืองอยู่หรือเป็นประจําเช่นสุขเวทนาก็ดีที่เกิดทุกขเวทนาที่เกิดหรือไม่สุขไม่ทุกขไม่เวทนาที่เกิดประคองใจตั้งไว้แน่จงในเวทนานั้น ด้วยอาตาปีพร้อมเปลี่ยนเป็นเครื่องเป่ากิเลสสัมปชาโนตัวปัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มันวินัยยโลกเก อ, อาิิจาโทมนัสสังกันจัดอาิิจาและโทมนัสออกจากใจให้หมดไม่ยินดีไม่ยินร่อยในส่วนใดๆ นี่คือฐานที่ตั้งของสติในฐานเวทนาจิตตนุปจิตเตจิตตานุปัสีวิงารติอาตาปิสัมปชานุสติมาพินยะโลกีอาภิชาโทมนัสสังเธอจงพิจารณาเห็นจิตในจิต เนืองเนืองเป็นประจำอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกันจัดความยินดีความยินร้ายออกจากจิตใจให้หมดธรรมเมรุธรรมานุปัถึกวิการติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวิไนยะโลกะ อาพิจาโทมนัสสั่งพิจารณาเ็นธรรมในธรรมเลื่องเลื่องอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกันจัดความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อของธรรมหรืออุเทศของธรร ในการที่จะปฏิบัติวิปัสสนาหรือในการที่จะปฏิบัติได้มาอาสติปัฐานทีเพื่อ พ, พุทธองค์ทรงชี้ว่าทางดีทางเดียวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแหกเวนยสัตทั้งหลายให้ก้าวล่วงความเศร้าโศกความร้องไห้ ความร่ำรยให้ดับไปทึ่งทุกข์ลนโทมนั์เป็นใหญ่ย่อทันส่วนพิส่วนปฏิบัติการให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างสติลงในฐานานั้นเพื่อถาวายเป็นพระราชเจ่ากุศลพระราชสักการะ เดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชมังกราชที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณโรงพยาบาลที่ดีราชทรงพระพระประชวนขอให้พระองค์ทรงอายจากประชวนมีพระกระเจมสำราญให้พระองค์ทรงมี พระยนจนมายุยึ่งยืนนานด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอาอนุภาพของพระสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วชาวคลเลยจักรวาลจงประทานความสุขให้แก่ท่านทั้งหลายและประทานความสุขให้แก่บุคคลทั่วโลก ด้วยการเจริญจิตตะภาวนากับความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่าภาวนานั้นคืออะไรคำว่าภาวนาแปลว่าทำไม่เกิดทำไม่มีทำไม่เป็นทำไม่ถึงพร้อมมีอยู่สี่ประการฟังให้ดีพระองค์จะบอชั้นทางะเนติ ยังความพอใจให้บังเกิดในการปฏิบัติธรรมสองวายะมติเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องทั้งที่กิริยาบทการเดินการยืนการนั่งการนอนหรือกิริยาอาการใดๆที่ท่านมีอยู่ ให้กําหนดรู้ด้วยประการนั้นวิธียังอารัปปติปล ร, รับความเพียนอยู่เสมอคือให้รู้สึกตัวให้มีสติในการกระทาทุกเมื่อข้อที่สี่สุดท้ายภาวนาจิตตังปักขนันอาิปทาาัทหังอาิ ประคองจิตตั้งไว้ให้ตรงกับการกระทําไม่ใช่สิ่งที่ถูกกระทําเหมือนเจ้าโลกเจ้าโลกก็กระทําสิ่งใดจิตก็อยู่ในสิ่งที่ถูกกระทําแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อกระทําสิ่งใดพูดจองจองให้จับความรู้สึกของการกระทําโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องท้องไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับ ให้รู้ในการกระทำรู้อย่างหนึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งในความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าเป็นวิปัสสนาคือตัวหน่อการที่จะเริ่มให้จิตดำรงตั้งมั่นคงที่เอาเฉพาะเบื้องตนคือให้ทุกท่านตั้งใจกําหนดอานาปานาาสติ คือให้กําหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ให้ตลอดสายออกก็รู้ให้ตลอดสายพระพุทธองค์ทร ง, งแสดงสอนโดยตรงๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทีฆัอ ง, อองอัศสันโตทีคังอัศสามิติปชานาติ เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเทคังว่าปัสจสัน้นโตเทขังปัสจสัมมิติปชาจนาติเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวพระองค์ไม่ได้ท่องไม่ได้สอนได้ท่องให้บริกรรมให้นึกให้คิด คือเรื่องอื่นพระองค์ว่าพิษุทั้งหลายพวกเธอจองทำจิตให้ว่างจากทุกๆอย่างที่ไม่ว่างคือลมหายใจอนาปานาจติเป็นธรรมเครื่องระงับสังขารทั้งปวงจะเป็นกะยะาย่อสังขารวาจสรสังขาร หรือแม้มนุสังขารก็สงบจิตจะเข้าสู่สมาธิตั้งแต่ปฐม ท, ท, ท, ทุติยาทุติยาฌานตติยาฌานจนถึงจะตุใตใจฌานก็ด้วยอานาปานสติวิธีกำหนดเมื่อหายใจเข้ายาวให้ผู้ปฏิบัติ เธื่อลักธมรมพระโยคาวัยจรผู้ปฏิบัติตรรต้องตามรู้ลมหายใจที่เคลื่อนไหวตลอดสายตั้งแต่ต้นลมปลางลมสุดลมให้มีสติตามระลึกรู้ให้ตลอดสายเมื่อหายใจเข้าสุดจองพักลมพักจิตนิดหนึ่ง ทำจิตให้ว่างจากทุกอย่างพักจิตไว้ภยายหน่อยเวลาหายใจออกยาวก็ตามรูการเคลื่อนไหวของลมตั้งแต่ปลายลมกลางลมสุดลมแต่พอหายใจสุดไม่ต้องพักที่ปล่อยใจเขา้าให้โูให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานจนกว่าจะอิ่ม เพราะลมหายใจนี่เป็นอาหารของจิตเราไม่ค่อยให้อาหารทางจิตนิยมให้อาหารทางกายวันละหลายหลายมือ้อบางทีกลางคืนก็ยังแถมที่จะจะอ า, อาหารทางกายอีกไม่มีต้องอาขาไปซื้อให้ทางกายได้อิ่มแต่ทางจิตไม่ปกคร้องจิตนั่นที่ที่โยนคนวายเรื่องต่างๆ เพราะจิตขาดอาหารเราไม่ได้อาหารทางจิตไม่ได้อาหารทางวิญญาณมันจึงความคิดจึงสับสนวุ่นวนจนถึงกับเครียดหาทางออกไม่ถูกพยานให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญอาณาปานสตินีงให้มากให้โล่งให้ตื่น ให้สดชื่นให้เบิกบานไม่ต้องท้องไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดให้จิตอยู่กับลมหรือลมอยู่กับจิตถ้าเผลอไปเราควรจะรู้ว่าจิตเป็นเผลอไปต้องมาตั้งต้นจะเริยนสติใหม่พระธรรมบารมีพุทธเจ้าของพุทธศาสนยิ่งใจนทุกท่าน พระองค์ได้ทรงจัตตรูด้วยอนาปานัสติในคืนที่พระองค์จัตตรูพระองค์กำหนดลมหายใจสิบหกขั้นแต่ที่พระองค์ทรงสอนในมงหาสติปัฏฐานสูตรเพียงสี่ขั้นหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ขั้นที่หนึ่งให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นเรื่องอื่นว่างให้หมด ที่ไม่ว่างคือลมหายใจนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหายใจเข้าสัน้นหายใจออกสัน้นขั้นที่สามหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ก่อยทั้งหมดหรือก่อยทั้งปวงขั้นที่สี่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อละกายยาทังขาน เพื่อราบไก่ยังขาดมีเพียงสี่คันเพราะฉะนั้นลมไายใจมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดใดที่เรามีอยู่ถ้าเราหมดลมกายใจเมื่อไรสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ของเราแม้แต่ชักอย่างเดียวลมไายใจเป็นสิ่งมีค่าที่สุดจะทาให้ถึงโลกุตระทรัพย์คือทรัพย์ที่เป็นโลกุตระ อันประเสริฐท่านทั้งหลายหายใจอ ย, ย่าหยุดให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานการที่จะเป็นวิปัสสนาโดยการหายใจเข้าหายใจออกผู้ปฏิบัติต้องฉลาดในการหายใจเข้าหายใจออกให้สมำเสมอกันถ้าหายใจเข้ายาวออกยาวไม่เท่ากัน ถ้าหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้เท่ากันหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจก็จะไปทุกส่วนของร่างกายร่างกายของคนเรามีกี่ส่วนมีทั้งหมดสี่สิบสองส่วนเรายังไม่รู้ว่าแต่ถ้าจะเดินลมหายใจนี้เราจะรู้โดยไม่ต้องเปิดตำราโดยไม่ต้องศึกษาปริยัติธรรมรู้ได้ชัดเจน ที่เป็นธาตุดินยี่สิบส่วนที่เป็นธาตุน้มสิบสองส่วนที่เป็นธาตุไฟสี่ส่วนที่เป็นธาตุลมหกส่วนเป็นสีน่สิบสองนี่เป็นกายธาตุยังเป็นที่เพียงตุ๊ ก, กาตายังได้ไปเป็นคนหรักมันต้องประกอบไปหลายอย่างต้องประกอบด้วยกันอายตะนะ ขันมีห้ากองแต่ละกองมีสิบอ็ดส่วนสิบอ็ดห้าอีกห้าสิบห้าห้าสิบห้าส่วนถึงประกอบเข้ากับทอดที่จึงจะเป็นบุคคลไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีเท่ากันไม่ได้แตกต่างกันเลยทีเพรานั้นได้เราพิจารณาให้ดีในการจเจริญ เป็นวิปั จ, จนาต้องพิจารณากายในหรือกายนอกกายนอกคืออะไรกายนอกคือธาตุ น, น้ำไฟลมกายในคืออะไรคือเป็นยขันห้าการเจริญวิปั จ, จนานี้มีขันห้าเป็นภูมิของวิปั จ, จนาที่เราเรียกวิปั จ, จนาภูมิ การที่จะเห็นกันหน้าต้องแบ่งกายนี้ออกเป็นสามส่วนเรียกว่าส่วนสามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอิติอัชชัตตังหากายกายานุปสีวิกาติทิจะไเห็นกายในกายเป็นภายในนี่ส่วนหนึ่ง พังิทาวะกายเ ย, ย, ย, ยกายาโนปติวิการติพิจารัเห็นกายในกายเป็นภายนอกส่วนหนึ่งอัจฉริตาพังิทาวากายเยกายาโนปัตีวิการติพิจารัยเห็นกายทั้งภายในยทั้งภายนอก พร้อมกันี่ส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนสามแห่งกายถามว่าเป็นวิปัสสนาเลยอยังยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาในปัญญาต้องเกิดปัญญาที่จะเกิดในภูมิของวิปัสสนาภูมิพระพุทธองค์ทรงจัดว่าสมุทยยธรรมา นุปัตถิวากายะจามิงเวิงะรติพิจนาเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคว า, ามเกิดขึ้นของรูปนามที่ว่าเบื้องต้นอุทยปภัยญานุปจนายานี่คือปัญญ า, าจะมองเห็นนามรูป ที่กดรือนาอมรูปที่ดับที่จะเห็นที่ดับเป็นพระองค์ทรงตรัสว่าวยทยธรรมานุปัสสิวากายะมิงวิกรติพิจระมียานมองเห็นเฉพาะความดับของรูปนามชัดเจนขึ้น ทเทระวายะธรร ม, มานุปัสสีวากายัตสัมิงวิหาระติในส่วนที่สามในส่วนที่สามสมุทยัยวายะธรร ม, มานุปัสสีวากายัตสัิงวิงะระติพิจารณา ทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมทั้งเกิดทั้งเสื่อมในกายเป็นพยะเป็นพยาตัปัจเจเนายานเป็นไงคื อ, อยานมองเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามหรือสังขารว่าเป็นของที่น่ากลัว จิตจะว่างจิตจะว่างจากทุกอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอธิกายโยติวาปานัสสติปัจโยปัติตตาโหติหรือสติว่ากายมีอยู่ตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอั้น กายไม่ใช่กายรูปร่างเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ออากายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ผู้อื่นคือให้ลบภาพของอบ ป, ป่าทานที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นตัวตน เพราะวิปัสนาจุดประสงค์ต้องการให้ทำลายอุปท า, านของเบญญาขันห้าอุปทานมีกี่อย่างที่เราไม่เห็นวิปัสสนาอุปทานในขันหน้าแต่ละขันมีสี่ชั้นเมื่อห้าขันก็มียี่สิบอุปท า, านห้าสี่ยี่สิบเป็นยังไงเราเข้าใจว่ารูปเป็นเรา เราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปนี่รูปการจริงเป็นอุ ป, ปาทานพี่ดังนั้นการจะทำลายอุ ป, ปาทานวิปัสสนาญาณสามประการนี้จะปรากฏกายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้อื่นและเป็นผู้ไม่มีตัณหาและไม่มีทิฏฐิ ความอยากก็ดับทิศที่ความเห็นว่าเป็นตัวตนก็ดับนะจะกินจิโลกเก อ, อุปาทิาติเธอจะไม่ยึดถือเิิงใดๆทั้งปวงในโลกแอวังข้อพิโกกายเยกายานุปทิวิรติดังนี้แหละพิษู เชื่อว่าพิจารานกายในกายแล้จเจริญอนาปานสติให้ต่อเนื่องให้โลงูงให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานทุกอย่างได้ว่างให้หมดเพราะโลกนี้คือโลกสมมุติถ้าสัญญาในโลกสมบุติยังไม่ดับวิพนานยังไม่เกิดเป็นยังไง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าภิกษุไม่มีปัญญาที่จะถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นร่างอย่างไรหรือพระเจ้าข้าพระพระองทราบว่าภิกษุไม่มีปัญญาที่จะถามพระองค์พระพุทธองค์จึงทรงนิรามิต เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่พพุทธเนรามิตรให้พระพุทธเนรา ม, มิตรมาจัดถามปัญหาแทนพระภิกษุพุทธเนรามิตจึงจัดถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่ออะไรดับพระพุทธเจ้าข้ารูปจึงจะดับ ทุกและทุกจึงจะดับไปด้วยจึงจะเป็นวิปัสสนาพระองค์จึงต้องตัดต่อว่าเมื่อสัญญาดับโลปจึงจะดับทุกและทุกจึงจะดับไปด้วยจึงจะเป็นวิปัสสนาเราอยู่ในโลกสัญญาความจำได้ไม่รู้ เราตื่นอยู่เมื่อไรก็มีสัญญาตลอดการเมื่อนั้นสัญญาจะดับเมื่อเรานอนหลับแล้วไม่ขวัญตัวเราไม่มีใช่ไหมลูกก็ไม่มีนี่คือจารดับหรือว่าตอนที่สัญญาดับตอนที่ <c oughs> เป็นลมหมดสติสัญญาโลกดับถ้าสัญญาในโลกนี้ยังไม่ดับ เราไม่มีโอกาสที่จะไปรู้ในอดีตแต่ชาติได้เลยสัญญานี่ต้องดับหมดที่แยว่าแต่วิปัสสนาหรือแม้แต่สามาธิก็ยังไม่เกิดเพราะสามาธิต้องทําสัญญาให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเมื่อทัญญาเป็นหนึ่งเดียวก็ดับสามาธิจึงรวมรวมจุดเป็นกลางไม่มีอะไร เป็นส่วนดีและไม่ดีคืออุเบกขาสมาธินี่ฉันอยาต้องดับหมดแล้วความเห็นที่เป็นทิฏฐิอัตตาตัวตนฉันทาคติโทสาคติโมหคาาติพยาคติดับหมดคือไม่ลำเอียงเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงหรือเพราะกลัวเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะมีจิตที่ไม่เอ็นเอียงด้วยโลกามิทจะต้องมีสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิส่วนเวทนาทุกท่านนั่งนานๆ น, นี่ก็เวทนาก็เกิดนั่งนานๆานไม่ต้องเปลี่ยนเวทนาเกิดที่ละน้อยที่ละน้อย จากทุกขเวทนากลายเป็นทุกขเวทนาถ้าดูไปนานๆจากทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนาีนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนว่าทุกขเวทนาที่ควรกําหนดรู้และการปาริยายาตันติเมผู้กําหนดรู้แล้วคือทุกขเวทนานั้นดับแล้ว มีแสดงไวในป <c> ฐ <oughs> มเทศนาถึงการกำหนดรูออริยสัตว์ทั้งสี่ว่าทุกควรกำหนดรู้สมูไทยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรปฏิบัติได้ถึงที่สุดมาทบทวนอธิยมักตอบทายแส่หน่อย ว่าทางนี้เป็นทางเอกคือหมายถึงอัตถังคีกรรมมักแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาติสัมมาสมาธ ทั้งแปดประการเป็นทางเดินอันประเสริฐเป็นทางเอกมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือจะแปลงให้ถูกจริงแปลว่าความเห็นจงเห็นจงอะไรเห็นจงอริยสัจเห็นจงในทุกเห็นรงในสมุทัยเห็นจงในทท น, งในิโรธ เห็นจงในอดียมักสมาสังกปะดำริจงเพื่อจะออกจากกรามออกจากความพยาบาทออกจากความเบียดเบียนสนมาวายจากาวายจาาจงไม่พูดแทดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผยเจอสมากัมมันตะกานานจง ไม่ค่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตจงเป็นสัมมาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพมิจฉาชีพมีเพียงห้าอย่างแต่มีเกลื่อนไปทั้งโลกหนึ่งฆ่าขายมนุษย์เป็นมิจฉาชีพฆ่าขายสัตว์สํารัฐพรำรับฆ่าเป็นมิจฉาชีพ ค้าขายาตราอาวุธเป็นมิจฉาชีพค้าขายเครื่องมือเบาเป็นมิจฉาชีพค้าขายยาพิษเป็นมิจฉาชีพถ้าเรามีอาชีพอย่างนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องละจากมิจฉาชีพตั้งอยู่ในสัมมาชีพสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือเป็นย่างไรหนึ่ง เพื่อระวังตาหูจมูกกินกายใจไม่ให้บ อ, อบอกุศลครอบกรรมการระวังไว้ดีด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยประคองใจตั้งไว้ให้ตรง <c oughs> เพื่อเป็นปราหานบาอบอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วและอกุศลที่มาในการก่อน เช่นกุ a า c o h o ไม่เกิดทางตาหูจมูกกลินกายแต่อ l c o h o เกิดในทางใจเป็นปัญหาปัญาทานต้องดูใจที่เกิดอ l c o h o ด้วยความพอใจด้วยพยายามด้วยปล ร, รบความเพียรด้วยปละกองใจตั้งไวให้ดีก l สนใดที่ยังไม่เกิด ให้โกชนนั้นเกิดขึ้นด้วยด้วยความพอใจด้วยเพยายามด้วยปลรับความเพียรด้วยประกอำใจตั้งไว้ง่ารงโกชลใดที่เกิดขึ้นแล้วให้จเจริญยิ่งขึ้นให้เต็มเปี่ยมไม่ไปโบ์ไม่ทรบไม่สูญจากโกชนลภาวะ ด, ด้วยความพอใจ ด้วยความพยายามด้วยปลรลรบความเพียนประกองใจตั้งไวใง้ให้ตรงสติสัมมาสติสติระลึกตรงระลึกในกายานุปัสสนาในเวทนานุปัสสนาในจิตตานุปัสสนาในธรรมานุปัสสนาตั้งให้มัน ตั้งให้เป็นฐานหนักแน่นมั่นคงสมาสมาธิสงังจากขามสังจากอาัจจ ก, อกุชนละธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากความสงบเมื่อวิตกวิจารสงบระงับไปทำให้เกิดปิติคือความอิ่งใจ ความเปลมปราโมทัยถ้าปีติสรอบอไปก็เกิดสุขที่สะัสดสุขด้วยนามบากายเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเมื่อสุขและทุกข์สอบรับไปโสมนัสโทมนัตก็ดับไปก่อนแล้วเป็นเหตุให้มีอุเบกขามีสติสัมพชัญญา ความเป็นกลางของจิตที่คอยที่จะให้วิปัสสนาญาณเกิดครบทั้งก้าวิปัสสนาญาณด้วยการเจริญปฏิบัติในมรราสติปัฏฐานสี่ 4. ตามที่กล่าวมาดีก็สมควรแก่เวลาและเหมาะสมกับจัตาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพระรา ช, ชกุศลพระราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุญญเดชบงอาราธที่พระองค์อาพาธขอให้พระองค์มีพร ะ, ระเกษมํำราญหายจากโยโรคาพยาธิสถิตตั้งมั่น ภายใต้ใสายเวกัยชัดรัตต ะ, ะบัลลังกองพระองค์เป็นที่รวมจิตรวมใจของคนไทยทั้งประเทศและตลอ ด, ดจนแต่กลางย่อสิริกิจพระบรมบราีินินาสพระลูกยาเธอพระบรมวงสาลูวงทุกทุกพระองค์จนตลอดบุราพาพระมาหากษัตริย์แห่งจับกลีวงทุกทุกพระองค์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 ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความปาทุก ข, ของคนไทยทั้งประเทศตามที่อาตมาภาพได้แสดงมาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงก้องไว้แต่เพียงดีเอวังก็มีด้วยพระการชนี